ยถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวายโตทินนางเปตานางอุปกัรปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาสุยะถามณิโชติระสยยะถา ติโยวิวายชนตุสาปารโวินาสตุมาเตมภาววันตรายโยสุกีติขายุโกภาวาปิวธนาศีลสานิ จางวัฒน์ป้ายใจยินอวจัดตารยธรมมวัดทานติอายุวันนสุขังปาลากตุเอปัสนนานางอากางธรรมาวิชาณตาง อาเกะโมเถปสันนานังดากินเเกอนุตระเรอาเกะธรมเกะปสันานังวีรากูปสเมสุเคอาเกะสังเคปสันนานังกุญญาเกตีอนุตระเร อากาศสมิงดานางดัดาต่างทากลางคุญญ์ยังประวัติเตอากางอายุวิาวันน้อยใจยาโชคกิติสุขังบาลังตาเมธาวีอากาศธรมมาสมัยโต เดวะภูตมนุสวาหะกาปะตัวปะโมดตีติภวตุสัพมังกาลังราคัตูสัพเดวตาสามบาบุทานุภาเวนัสดาโสทิภวันตุเต ภาวตุสะพะมังกาลังราคันตุสะปเดวตาสามาตถมานุภาเวนัสดาโสติภวันตุเตปพาวตุสะพะมังกาลังราคันตุสะปเดวตา สามมาสังขานุาเวนะสัดาโสติภวันตุเต